بسم الرحمن الرحيم الحمد نحمده الله ونساقن السحدي لله إن ونسعينه ونعوذ شرور فلا ั ا ฮั ا ل ุ م ิลละครับเราก็มาต่อการในส่วนของสุรุษอัลกัลสัตอัลกอลสัต สุดยอดที่สั้นที่สุดในอัลกุราอานแต่ว่าความหมายนั้นน่าจะมีประโยชน์มหาศาลกับพวกเราทุกคนอคินชาอัลลอฮ์ครับจะเป็นงไงเดี๋ยววันนี้เราคุยกันแต่ว่าเราก็เริ่มด้วยกับการอ่านก่อนวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจมานะครับร<า>รใช้งานให้กุ่มนะครับผมอ่าขาเชิญหน่อยอ่าครับผม อ, อ, อ่านเ <The Father. S 1> พิ่มเติมอ่านต่อยเนาะอ่านนาแล้วให้เขาอ่านตามโอเคนะครับอ่าเชิญพร้อมนะครับตรงนี้กับคุ กูเห uh ็นา ok. ูหน่อยแกเอลมาเป็นอยังกัได ah. ้ครับผมคือว <imagination. S 2> <c oughs> ่าอาจารย์ยูรเดี๋ยวถ้าเกิดเป้นฮู้เดี๋ยวเป้นจะ์แคัมเมนผมเอาครับรอลูกมาจะต้งเสริมลูกเราลูกเราใหเป็นพระจ้ากลัวกลัวเดียวลูกเสียคนครับอ่ะเชิญครับดังเลยอาอูดอาอูดด้วย อาบูอิลลาฮิมินอชชัยตัลิร์ติมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรห์มิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรห์มิมอินนาอัลกยนาคัลกัสซับนนัยนากัลกสซัฟลลิลรบบิกับลับ ฟ้าดลิรับบิกวัลฮะอินชาอะคะฮนอัตัอิ น, นาชานอะกะฮอัลตันนาา ค, ลตครับระละอะครับผมก็ขอออ า, า์าให้พระองค์ให้ ค, คํามีกราบของพวกนั้นเป็นแสียงสว่างให้กับเรานะครับผมแล้วก็ขอให้อาจารย์ที่นำอ่านของเราอยู่ในทางนำของพวกนัตลัดไปครับอย่าไปเสียพูดเสียคนที่หลังเนะี่ย คับซูลาะอินน่าอัตยานกาลเกาซัตรเรามาดูความหมายก่อนแล้วเราดูที่มาที่ไปแล้วมาดูว่ามีสาระอะไรบ้างแล้วก็ทำไมผมจึงบอกว่ามีคุณมหันกับมุสลิมทุกคนคือเราว่ากันไปทีละ ส, ตสะเต็ปนะครับผมประการแรกครับเริ่มต้นซูราะนี้นักวิชาการมีความเห็นต่างกันว่าบิสมิลลาเป็นส่วนหนึ่งของซูราะนี้หรือเปล่าก็คือนัากพิจารณาบางส่วนมองว่าเฉพาะซูราะกาลซาตเนี่ยบิสมิลลาถือว่าเป็นส่วนน ขอสุลต่านเกาซัเหมือนกับที่มีคิรัฟในส่วนของสุลต่านฟาติฮะที่บางส่วนก็มองว่าฟาติฮะเป็นส่วนหนึ่งของสุลต์อ่าบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของสุลต่านฟาติฮะแต่แน่นอนที่ไม่มีคิรัฟเลยก็คือในสุลต์อุเลยมานใช่ไหมครับท so ี่พูดอันนั้นบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของสุลต์แน่นอนอันนี้ก็เป็นความรู้เสริมครับแล้วก็ที่ไม่มีคิรัฟเช่นเดียวกันก็คือสุลต์เตาบะไม่เริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์เพราะอะไรครับโอเค นักวิชาการมีความเห็นต่างห ล, กหลกักๆสองทัศนะทัศนะแรกมองว่าเพราะความหมายเริ่มต้นยุ่งความดุดันเลยเพราะฉะนั้นบิสมิลลาห์นี่คือเริ่มด้วยกับความเมตตาของพงศ์ก็เลยไม่ได้เริ่มกับบิสมิลลาห์ว่าซุลลบาระหรือว่าเตาบา้านในความหมายดุเดนันอีกทัศนะหนึ่งมองว่าเพราะจริงๆแล้วซุรลัฟเตาบ้านเนี่ยไม่มีคือจริงๆแล้วเป็นต่อจากซุลลัฟก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือซุลลัฟติดตัติตัติดตัติตับไมาอัลฟาติฮัลบะคาะัฟอัลีบลอดอัลิซานไม อ่านโอเคครับไม่ไปแล้วครับเรากระติกเต้นเต้นดตเต้นประเด็นที่เราจะคุยคือวันนี้คือสร้างเก่าสร้างอ่ะเรามาเข้าประเด็นของเราเลยนะครับผมพอเราได้ศึกษาว่าอินเนอตอยแนวกอล์สัพความหมายครับอินนาก็คือแน่นอนเป็นการบอกย้ําว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มันชัว่อยู่แล้วชัวแนแน่เลยใช่ครัว่าอินนาซึ่งภาษาไทยถ้าเป็นกุรานฉบับ ปัจจุบันที่มีอยู่เขาจะมักจะใช้คําว่าแท้จริงแท้จริงแต่พอผมไปเปิดดูออนอกจากในคุรานแล้วผมแทบไม่เคยเจอคนไทยคนไหนใช้คำว่าแท้จริงในหนังสือในเบเบื่อะไรไม่ค่อยมีเลยก็เลยเหมือนกับว่าคำว่าแท้จริงนี่เฉพาะไว้กับคุรานแล้วหรือป่าก็เราอ่านล่ะครับอินน่แน่นอนจริงแท้แน่นอนอินน่อะต้เน่กัลกอส์อะต้เน่แกอะต่อแปลว่าใ ห, ให้ให้แล้วอะต่อแปลว่าให้แล้ว อะต้ยเนี่ยเราได้ให้แล้วให้อะไรใครครับแกเราได้ให้แก่เจ้าแล้วเตอร<ม>์ล้ได้บอกผู้ทรงสูงๆได้บอกว่าแน่นอนเราได้ให้แก่เจ้าเจ้าในที่นี้คือใครครับมุฮัมมัดสลลลอของเอะไรที่อัซาลัมอัลกาซัฟแน่นอนเราได้ให้กาซัฟแก่เจ้าแล้วให้แล้วทีนี้บางท่านอ่านสุราอันนี้แล้วบอกก็ให้นบีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรา บางท่านอาจจะคิดาท่านจะคิดเพราะสุดท้านี้พวะองคเราได้บอกว่าแน่นอนเราได้ให้เก่เจ้าแล้วซึ่งอัลกัซัซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอกัซัเนี่ยแปลว่าอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเราอินเนอตอเนาอัลกัซัตฟาซัลลิลีร็อบบิกะวันฮัศอัลลอ์บอกว่าไงครับฟาซัลลิดังนั้นเพราะเราให้เก่เจ้าแล้วให้ดูปอยแล้วดังนั้นเจ้าจงฟลลจงทาการละหมาดลร็อบบิกะ ให้แก่ผร้ผู้อีบานของเจ้าวันฮัทแล้วก็จงหลังเลือดอ่าประเด็นไม่ได้แปลว่าเชือดไม่ได้แปลว่าเชื่ อ, แ ป, อแปลว่าหลังเลือดเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทํำไมใช้คำว่าหลังเลือดหลังเลือดนี่คือสัตว์นะครับไม่ใช่ธรรมสังขารเราบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจกิดบอกว่าหลังเลือดนี่หมายถึงสัตว์ให้ไปฆ่าไปหรือเปล่าหมายถึงการเชื่อด้วยแหละเพียงแต่ว่าการเชื่อปกติที่บ้านเราคุ้นเคยก็คือการ เชือก็คือเอามีดมาปาดใช่ไหมครับให้อย่างน้อยเส้นผ่าดไป3เส้นก็คือปวดตีที่คอมันจะมี4เส้นใช่ไหมครับจะมีเส้นเลือด2เส้นส้แดงเส้เลื อ, ด, อ ด, ด ด, ดามีหลอดลมแล้วก็หลอดอาหารก็คืออย่างน้อยขอให้ขาด3เส้นอันนี้คือการเชือดเอามีดปาดแต่คําว่าวันคัพนะฮารอ้อนที่แปลว่าการหลังเลือดเนี่ยคือการเออจะมักจะใช้กับสัตว์ที่ว่าคอยาวเช่นอูด คือสัตว์ที่ว่าคอยาวอย่างอูดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีดไปเชื่อดจะไม่ตายง่ายจะไม่ตายง่ายเพราะเลือดมันต้องขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนกว่าจะตายใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเขาจะใช้การเชื่อดอูดจะใช้มีดเฉพาะเป็นมีดเป็แฉกแล้วก็ใช้แกแทงเอาแทงที่คอแล้วก็ตัดทีเดียวเลยแทงกล่างไม่ใช่แท ง, งกระเบนแทงข้างล่ง ไม่ขาดไม่ขาด น, นะครับหรือว่าพอแทงเข้าไปปุ๊บมันจะตัดเส้นเลือดขาดไปสามเส้นสามหรือสี่เส้นซึ่งจะตายเร็วกว่าอันนี้มีมีดเฉพาะครับมีมีดเฉพาะเลยเป็นมีดเฉพาะเลยครับเป็นมีดเฉพาะอย่างที่บอกก็คือมีดจะมีลักษณะแบบนี้มีโปรตีนเป็นแบบนี้คมด้านเดียวใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นคมสองด้านครับแล้วก็แทงเข้าไปอันนี้เรียกว่าห้าหรอบเป็นการหลังเลือดที่ว่าบ้านเราบางครั้งเข้าใจว่าตกลงการขีด การเจาะบ้านเราเรียกการเจาะคอไก่เนี่ยไก่กินได้ไหมเดี๋ยวประเด็นน่าจะได้คุยกันเล็กน้อยน่าจะได้คุยกันเล็กน่อยถ้ามีลายชื่อแล้วอย่างการเชื่อมหัถ้าเชือมหอดลมด้ขาดได้ใช่ได้ขอให้ขาดอย่างน้อยสามเส้นอะไรก็ได้ <Okay. S 2> คืออย่างที่บอกเส้นมันจะมีตั้งแต่สี่เส้นนะครับสามผู้สามเส้นไหนก็ได้ขอให้ขาดนักปชาการเห็นท้องแต่ว่าเนื้อ น, นั้นถือว่าคารานถ้ากล่าวพระนามหลอดร้อยนะคอาจจะเป็นเส้นเดียวสองเส้นหลอดลมหนึ่งหนึ่งหลอด หรือว่าหลอดลมหนึ่งหลอดอาหารแล้ว <sup> ก <Th âm. S 2> ็เ <vos> ป็นเซื้อเสือสักเส้นยังไงก็ได้ครับบางทีมันรูแล้วมันดูแล้วมันมันดูรู้แต่เราบอกเขาไม่ได้เพราะเราอยากจับผิดเขาครับแต่ยเขาเรารู้สึกว่ามีเนี่ยมีเนี่ยอยากกินใช่หมครับที่ตรงนี้ได้บางทีมันเหมือนกับมันไม่ขาก็มีน่าเลเราอยากจับผิดเขาเงเอาอยางนี้เลยนะครับอตบอกแต่ไม่บอกว่าเรารู้ว่าเรารู้ตรงไหน ถ้าเราอยู่กันมาทำ ง, งานเราจะรู้เองถ้ามหลอดคอบางทีมันไม่ขาดครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าขาดไม่ครบสามเส้นสัตว์นั้นถือว่าทานไม่ได้ถือว่าทานไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดขาดมาเลยสีเส้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นเชี่ยนแล้วคอขาดเลยอันนี้มักรู้เฉยๆมาถึงบางคนบอกมีดคมจัดออกแรงทีฟันแล้วคอมันขาดเลยเคสนิดน้อยครับส่วนใหญ่ติดกระดูกส่วนใหญ่ติดกระดูกส่วนใหญ่ติดกระดูกถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบ คนที่เจ๋งจริงจะไม่น่าจะสามารถทำไม่คอวัวขาได้แต่ว่าคอไก่ทำได้บางทีเชื่อดคอไก่แล้วมันขาดไปเลยก็ถือว่าทานได้จริงแต่ว่าถ้าฮันอภีก็มองมรรู่นมรรุ่เพราะว่าอลอร์ใช้คําว่าเชือดไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำว่าตัดไม่ใช่คําว่าตัดโอเคประเด็นเดี๋ยวเราก็คุยกันแปลอัลกุรอานให้ครบก่อนครับหลังจากที่แปลยะาแรกไปแล้วนะครับแน่นอนเราได้แก่เจ้าแล้วซึ่งอัลกุรอานความบางท่านจะแปลว่าความดีงามมันมากมายหรือบางท่านก็แปลว่าเป็นบ่อน้ําในสวรรค์ ฟอสซลิรบดการ์วััพดังนั้นจงทําการละหมาดแล้วก็จ ง, จ ง, จงทําการหลักเลือดให้แก่พู้บาดของเจ้าอินเชยนชแนเก่หูวัลอับดับแน่นอนแน่อนอนอีกแล้วแอเนอร์แกก็คือศัตรูของเจ้าคนที่ตั้งตัวเป็นอริกับเจ้าเนี่ยหูวัลอับดับเขาคือคนที่อับดับอับดับหมายถึงคนที่ไม่มีลูกหลานภาษาอับกินุว่าอับดับทายาของเจ้าคือคนที่ไม่มีลูกหลานมันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไป เราดูทีละประเด็นทีละอายะแล้วถ้าเกิดผมขาดครัข้ามประเด็นไหนไปก็ขอช่วยหาโมเดอี e นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดมีคําถามไหนก็ว่ากันทีที่มาที่ไปของซูล้อนี้ครับที่ซาบัด ท, ท่านรายงานก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่ว่าท่านอับดุลลอฮ์สละลอมอเลสลาบเนี่ยตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับบรรดาซาฮบาัดแล้วอยู่เนี่ยท่านก็ยิ้มยิ้มคือในสัพท์ทะเที่จะใช้คำว่าดอกฮีแก่ที่แปลว่าหัวเราะ แต่อย่างที่พวกเรารู้ก็คือตลอดชีวิตท่านเบีมัสลรซัมไม่เคยหัวเราะแบบมีเสียงสูงสุดของท่านก็คือยิ้มแบบเห็นเที่ยวอันนั้นคือสูงสุดละภาษาหลับที่เรียกเป็นแบบพี่ก่น่าจะไม่มีใครทําได้ในโลกนี้ผมคิดว่าน่าจะท่านเบีมัสละองอะไรสรักครับพอท่านเบียิ้มซอบ้าที่อยู่ปุ๊บ ก, ก็แปลกใจแล้วก็ถามว่ามีอะไรเหลือซู้อทาไมอยู่ๆท่านก็ยิ้มทําไมท่านก็มีความสุข ท่านอบดก็บอกว่าเมื่อเก่าพวกเราซึ่งเพิ่งประทานซูเราะห์นี้มาให้แก่ฉันแล้วท่านอบีุลเห์ก็อ่านให้ฟังบอกว่าแน่นอนเราได้ให้แก่เจ้าแล้วซึ่งอัลกออซัดจนจบซูเราะห์เราได้ประเด็นอะไรกันบ้างครับจากอายะแรกเริ่มจากอายะแรกแน่นอนเราได้ให้แก่เจ้าแล้วซึ่งความดีางามอันมากมายตรงจุดนี้ครับสิ่งที่มุสลิมเราได้ก็คืออย่างที่เรารู้ว่าในการทําการค้าขาย ก า, การทําการค้าขายเพราะการเป็นมุสลิมก็เป็นการทําธุรกิจแบบหนึง่งใช่ไหมครับพอร์ล้อกล่าวว่าจะทำธุรกิจกับพอร์ล้อไหมปกติในการทําการค้าขายก็คือหมูไปไก่มาเอาเงินมาเอาของไปซึ่งสําหรับคนเป็นมุสลิมเนี่ยด้วยความที่ว่าพอร์ล้เมีตาแล้วการทําธุรกิจกับพอร์ล้อนี่แฟร์แบบเกินคําว่าแฟร์พอร์ล้อไม่รอให้เราทําความดีเสร็จก่อนแล้วถึงให้ คือปกติมันน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าจะแรกก็คือรอรอตายก่อนแล้วพระองค์ค่อยเตรียมว่าจะให้อะไรเราบ้างแต่สําหรับอัลลอฮฺปุรีบานของเราก็คือเรายังไม่ต้องตายพระองค์ก็เตรียมการตอบแทนไว้ให้แล้วเหมือนกับที่พระองค์เตรียมให้กับท่านอับดุลบาบีมัสลูมลองวาริสัลมซุลล้อนี้ประทานมาก่อนท่านบีมัสลูมจะเสีเยชีวิตไปเวลานานเลยหลายปีเลยเพราะบางท่านก็ยังมีคิรบัรบัสซุล้อนี้เป็นซุลลประทานมาก่อนอพะยพหรือหลังอพยุบก็แปลว่าพระองค์เตรียมไว้ให้แล้ว ที่ผมบอกว่าได้ผลประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างอย่างน้อยเราสบายใจเลยว่าตอนเนี้ยพวกเราทุกคนที่เป็นมุสลิมเอาล้อเตรียมการตอบแทนใน ส, สวรรค์ไว้ให้พวกเราแล้วตัดไดก็ตามที่เราไม่ทําตัวให้มันเพี้ยนแล้วก็ถูกกรอบไปอย่างที่พวกเรารู้ใช่ไหมครับว่าอย่างการล้ำลึกถือล้อสุภาเราล้อทำดีลล้วรอฮะบัสการที่เราล้ำลึกหลังละหมาดเนี่ยทุกครั้งที่เราอ่านเอาล้อจะทําอะไรให้กับเราครับปลูกต้นไม้ในสวรรค์ให้เรา ปลูกเลยเรายังไม่ตายเรายังการงานไม่เสร็จเลยแปลว่าสวรรค์ที่วงเตรี้มให้กับเราเนี่ยมีเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่ใช่หยุดอยู่กับที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามความดีงามที่เราทำอย่างที่พวกเราทราบเมืคืถ้าเกิดใครก็ตามวันละละมาดประวัติสิบถึง2ิบสองรากะพวเราจะยังไงนะครับสร้างพระราชวังหนึ่งหลังให้กับเรา1วันได้หนึ่งหลัง อีกหนึ่งวันก็ได้หนึ่งหลังเพราะว่าพื้นที่สวรรค์ที่เราลดเย็นให้กับเราในใหญ่โตโมโหซาใหญ่โตมโหละโมโหลานคือผมผสมมโหลานกับมโหมหาศาลกลายเป็นมโหสาลคือเป็นที่ใหญ่โตมากก็คือใหญ่กว่าฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดรวมกันสิอีกกระดิส น, นึงก็คือคนที่อยู่สวรรค์ชั้นต่ําสุดเนี่ยพื้นที่ที่เขาได้นี่เท่ากับโลกลึญยาสิบเท่าใหญ่แค่ไหน ว, ว่าเราว่าหลังเราแต่คือใหญ่มากก็คือตอนเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือต้องอัปเกรดสวรรค์ของเรา ให้ให้ดีขา้นไปเรื่อยเหมือนกับที่ว่าท่านนบีมุ ส, สลิมพูดถึงผู้สามีภรรยาครับผมอันนี้ฮะดีสนี้ท่านนบีจะพูดเป็นการเตือนสําหรับบรรดาแม่บ้านนะครับผมแล้วก็ยังไม่ต้องมาเรียกร้องสิทธิตอนนี้เนาะผมยกฮะดีสนี้ให้ฟังที่เฉอยังไม่ต้องเรียกร้องสิทธิตาบีที่ท่านนบีได่ให้ฟังว่าเวลาที่ว่าแม่บ้านที่ว่าดื้อกับพ่อบ้านมากๆพ่อบ้านที่แบบเป็นคนดีนะครับ หือถ้าพ่อบ้านที่ผิดอามานะนี่ไม่เกี่ยวเนาะถ้าเกิดเป็นพ่อบ้านที่ดีแล้วก็ทำอะไรอยู่กับล้อมกับรอยแต่แม่บ้านดือ้อพยศอะไรประมาณเนี่ยเออคุณนี้อย่าพิ่งทะเลาะ ก, กันครับอย่าพึ่งทะเลาะ ก, กันผมยังเลาไม่จบเราเล่าไม่จ บ, ลจบแล้วจะทะเลาะ ก, กันแล้วหร่ขออภัยครับแบบนี้รู้สึกเราจะอยู่ฝ่ายผมผมคนกลางนะผมกลากลางระหว่างสายมืระหว่างภครอะทินนี้ท่านนบีบอกว่าเวลาที่แม่บ้านที่แบบว่าดื้อกับพ่อบ้านเยอะเนี่ย นางฟ้าในสวรรค์รับรู้แล้วจะเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าเชื้อเขาเป็นของเธอแค่ดุนยาแค่นั้นแหละ mm hmm. ก็แปลว่าพวกอัลลอฮ์ก็ให้ว่าที่นางฟ้าของเราเห็นเรากับพฤติกรรมที่เราอยู่ในโลกนี้ด้วยแปลว่าสุบาอัลลอฮ์ต้องการทําความดีงามกับอลัลลอฮอผู้หญิงผมไม่บอกว่าฉันอยากได้นายฟ้าใช่ไหมครับพอบานได้นางฟ้าฉันต้องได้นายฟ้าไม่มีใครเคยคิดอย่างนี้ผมมั่นใจ แต่ขอให้เรามั่นใจว่าผู้ทรงสูงส่งที่รู้ว่าสุดยอดปรารถนาของผู้ชายคือผู้หญิงพระคงย่อมรู้ว่าสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงคืออะไรเพราะฉะนั้นคงเตรียมให้ทัดเทียมกันแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ประเด็นก็คือที่ผมอยากจะบอกก็คือตอนเนี้สวรรค์ของพวกเราเนะี่ยมีเรียบร้อยแล้วมีแล้วพื้นที่ของเรามีเรียบร้อยแล้วแล้วเรากําลังทําหน้าที่พัฒนาพื้นที่ของเราให้ดีขึ้นไปเรือ่อยๆผ่านความยากลําบากในดุลย อันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องจําให้ขึ้นใจไม่ใช่ผ่านความสบายนะไม่ใช่อยู่ดุลยาสบายแนละ้วโลกหน้าก็จะเอาให้มันเต็มที่ไม่ใช่โลกหน้าต้องทรมานเพราะวาท่านเบียร์วัสดวรชรัมท่านโดนอะไมาบ้างครับโอ้ยังไม่ทันเกิดพ่อเสียชีวิตเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าโตมาได้สักหน่อยแม่เสียชีวิตหลังจากนั้นปู่รักทัานมากท่านก็รักปู่มากปู่ก็เสียชีวิตพอโตมาเริ่มเผยแพ่ศา ส, สนาลุงก็เสียชีวิตภรรยาก็เสียชีวิต มีลูกชายลูกชายก็เสียชีวิตหมดเลยรอดไม่มีรอดสักคนมีแค่ลูกสาวที่รอดลูกชายสามคนเสียชีวิตหมดอันนี้คือพูดแค่บททดสอบที่เหมือนกับคนปกติยังไม่ได้พูดถึงบททดสอบในฐานะที่ท่านเผยแผ่ศาลาพอพอเผยแผ่ศาลาปุ๊บบททดสอบที่ท่านโดนยิ่งหนักคือท่านโดนสารพัดโดนทุกรูปแบบโดนจนแบบว่าบังเกินจินตนาการแล้วว่าคนค น, นึงมันจะโดนหนักอะไรได้ขนาดนี้แล้วเมื่อท่านโดนจนถึงจุดหนึ่งพวกล้อ ก, ก็ประทานซูร้อนนี้มาเพื่อทำการ ทำให้ใจของท่านนั้นสงบแล้วก็ทําให้ใจของมุ้ซิมทุกคนสงบด้วยว่าแน่นอนอัลลอฮ์ได้ให้แล้วให้แล้วนะอ้าตอนนี้คือให้แล้วไม่ใช่เตรียมให้แล้วยกให้แล้วซึ่งอัลกาวซัฟอัลกาวซัฟคืออะไรครับอัลกาซัฟเนี่ยคืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งดุนยาและอะฮ์ซรอทุกอย่างเลยที่เป็นความดีงามอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าเรียบร้อยแล้วนักวิชาการส่วนมาก จะแปลอัลกออซัตว่าเป็นชื่อทานน้ําในสวรรค์ทานน้ําในสวรรค์ซึ่งอยู่ใจกลางสวรรค์เลย <Yeah. S 1> คืออยู่ในจุดที่เป็นสุดยอดของความโปรดปานของลอในความผาสุกในความงดงานในความดีงามทั้งหมดเอาซัตเนี่ยคือแหล่งน้ําที่เป็นทานน้ำนะทานน้าที่อยู่ตรงถึงจุดนั้นเลยซึ่งท่านอับดุลเบีย๊ย์วัสละลอฮ์อิสลาหมได้อธิบายให้ฟัง อันนี้คือเคลียเคลียวกับท่านอบีนะท่านอาบีบอกว่าทานน้ำเนี่ยครับเป็นทานน้ําที่ว่ามีความสวยงามเนี่ยขาวยิ่งกว่าน้ํานมคือเราอาจจะไม่เคยชินพอคิดถึงน้ำเราจะต้องคิดถึงน้ําใสๆหรือว่าน้ําสีฟ้าน้ำทะเลแต่ถ้าเราคิดถึงน้ําที่ว่ามีความสวยงามเกินจินตนาการอย่าลืมครับตอนนี้เรากาลังพูดถึงสิ่งที่เกินจินตนาการเพราะพวกเราล้อกล่าวว น, นิกรา ขอ บ, บ้างครับพพเพราะพระเจาลอสเนี่ยให้ท่านอาบีมาบอกกับเราว่าสิ่งที่องค์เตรียมให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีตาคู่ไหนอมองเห็นไม่เคยมีหูคู่ไหนได้ยินถึงความสุดยอดของมันแล้วไม่เคยมีจินตนาการของใครที่มันใกล้เฉียด ก, กับคําว่าสวรรค์ที่ลอสเตรเียมไว้ให้เพราะนั้นที่ท่านอับดุลีเล่าให้กับเราฟังเนี่ยพยายามเล่าเพื่อให้เราเปรียบเทียบกับอะไรที่มันใกล้ตัวเราที่สุดก็คือท่านอาบีบอกว่าความสวยงามนั้นมันขาวยิ่งกว่านมว่าน้อยนะ มันไม่ใช่ขาวแบบมมันยิ่งกว่านั้นคือมันสวยเกินจินตนาการแล้วก็มีความอาริตอร่อยยิ่งกว่าน้ำพึ่งเพราะในยุคนั้นครับเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดคือน้ำพึ่งอร่อยยิ่งกว่านมอร่อยยิ่งกว่าเหล้าอร่อยยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือน้ำพึ่งแล้วก็ขนาดใหญ่ครับพี่น้องลองจินตนาการถึงโรงแรมห้าดาวเจ็ดาวก็ได้เจ็ดาวหรือว่าห้าดาวก็ได้คิดถึงสาน้า ที่เขามีจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่มีสระน้ําแต่ว่ามีการจัดเตรียมภาชนะสำหรับดื่มกินด้วยพี่น้องว่าจะดูแค่ไหนเขมีแก้วให้แบบว่าพร้อมที่จะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ทันทีซึ่งท่านอบีบอกว่าจํานวนภาชนะจํานวนแก้วที่เตรียมไว้ให้ในทานน้ำนั้นสำหรับท่านอบีคนเดียวมีจํานวนเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าแก้ว เท่ากับจํานวนบนท้องฟ้าแปลว่าทานนี้น้ำนี้จะมะหึมาขนาดไหนาาแบบเกินจินตนาการแล้วก็เป็นสําหรับที่ท่านนบีม ศ, า ศ, าศาุลชันลองจินตนาการง่ายครับคนในยุคนี้เท่าที่พอจะฝันได้นะถ้าจะมีก็คือบ้านที่แบบจริงๆก็คือด้านหลังอาจจะติดภูเขาใช่ไหมครับอ่าด้านหน้าติดถนนตัวบ้านใต้บ้านติดทาน้ําไหล นี่คือสูงสุดละแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ติดแค่นี้ส่วนใหญ่ตัวบ้านมักจะติดธนาคารเพิ่ม <c oughs> คือดีทุกอย่างนะนนติดแต่เดียวโอัน น, อนั้นเหนื่อยนะตัวบ้านติดธนาคารจะจากมากค่อยๆกันครับขอบคุณมากครับแต่มาถือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในทุนยาเนี่ยครับเราจินตนาการถึงบ้านที่มันสวยงามเนี่ยสวยงามแค่ไหนก็ตามคือเราดูห้าดาวเจ็ดดาวดูแบบบ้านหลังร้อยห้าสิบล้าน กรุงเทพมีในหมู่บ้านชาวเขาดูแล้วแบบโอ้โหดูแล้วสวยเอาแล้บอกเ่อที่เลิกเดี๋ยมให้ในสวนมันเกินจินตนาการแล้วแค่ทานน้ําของท่านนาบีมีแก้วเกินกว่าจํานวนของดวงดาวมันจะขนาดไห น, นอันนี้คืออัลจาามีจินสิตอามันการตอบแทนนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งที่เราถูกทดสอบจากพฤติกรรมที่เราทําทีนบางคนบอกแล้วทําไมละนบีได้ฉันไม่ได้ ถูกไหมครับแล้วสุลล้อนี้อลัลลอฮ์ส่งมาให้ท่านนบีฉันก็อยู่แบบเรียมเทียมไปสิคำตอบไม่ใช่ครับผมผมพูดถึงทาน้ำใช่ไหมทาน้ำชื่อว่าเก่าซับ พ, พวกเรารู้ไหมครับว่านบีทุกท่านจะมีบ่อน้ำสำหรับประชาชาติของแม น, นที่เหลยกเลวะฮูดเฮาดุนที่แปลว่าบ่อน้ำที่ว่าหลังจากที่ทาการสอบสวนแล้ว คือโลกหน้าครับหลังจากที่ทุกคนถูกสอบสวนบันททาความชั่วเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนจะมารอเพื่อที่จะข้ามสะพานเซีร์อนข้ามสะพานเซีร์อนก่อนที่จะข้ามสะพานนี่แหละครับเพื่อเราจะมีบ่อน้ําให้กับนบีแต่ละท่านแล้วให้ประชาชาติของท่านนั้นได้ดื่มกินใครก็ตามที่ดื่มกินเขาจะไม่หิวอีกเลยไม่หิวไม่กะหายอีกเลย ไม่ยู่ไม่กายเลยนอกจากผู้ที่บงทรงประสงค์คือถ้าเกิดใครต้องลงเป็นนรกก่อนก็ว่าลรอว่าอะไรแต่ใครไม่ได้ลงก็ได้ตามนั้นเลยซึ่งบ่อน้ำของท่านนาบีมอลลัลลอฮของะลัยุสซลัมชื่อว่าอัลกาวซับมาจากน้ำในลำธารของท่านใน ใ, นใจกานสวรรค์แปลว่าเราทุกคนได้ดื่ด้วยอชาม้รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยไหมครับเฉพาะของนบีก็จริง เป็นแทนน้ําของท่านอบีในสวรรค์แต่ว่าแทานน้ําเนี่ยพวกเราลอยให้น้ำของมันมาอยู่ในบ่อของท่านที่จะให้พวกเราทุกคนที่เป็นประชาชนของท่านอับดุลเลาะห์สุสลต่านได้ดีสุลตานี่เกี่ยวกับเราหรือยังครับเกี่ยวนะนะ อ, อินาอาเตนากับกอัลลอฮ์ให้ท่านอับดุลเลาะห์สุสลต่านพระองค์ก็เราก็ได้รับอ น, นิสงส์ไปด้วยอ๋อครับผมไปยาวไปหน่อยนะครับผมทีนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องของบ่อน้ําเนี่ยมีประเด็นที่เราต้องคุยกันนิดนึง พารสิกบทหนึ่งครับท่านนบีรรมัสลลัมของอาเลวิสต์ลัมได้เล่าถึงครั้งหนึ่งท่านอยู่กับบรรดาสฮ า, าบะอยู่กับบรรดาสฮ า, าบะแล้วท่านนบีก็ร้องไห้สฮะบะก็แปลกใจตอนที่ท่านนบีไปเยี่ยมหลุปงปางศพเยี่ยมหลวงปังศพแล้วท่านนบีก็ร้องไห้สฮะบะก็บอกว่ายาซูร์ ล, ละทําไมท่านถึงร้องไห้เหรอทนบีก็บอกว่าฉันคิดถึงพี่น้องของฉันฉันอยากเจอพี่น้องของฉัน ซาบากก็บอกเขาคือใครใครคือพี่น้องของนบีนบีใช่เขาพี่น้องนะครับท่านนบีบอกว่าเขาคือประชาชาติของฉันที่เขาไม่ได้เจอฉันไม่ได้เห็นฉันแต่เขาศรัทธาต่อฉันพวกเราทุกคนคือพี่น้องของนบีที่ท่านนบีคิดถึงเจอถ้าว่าร้องไห้อยากเจอพวกเราทุกคนสุบานอัลลอฮฺ เป็นไปได้งไงที่ว่าคนคนหนึ่งจะรักคนที่เขาไม่ได้เจอไม่เคยเจอครับถึงขั้นร้องไห้เลยซาบ้าได้ยินปุ๊บอาจจะแอบน้อยใจผมไม่แน่ใจซาบ้าถามบยรัซุลแล้วพวกเราแหละท่านระบีก็บอกว่าพวกคุณน่ยคือพวกพ้องของฉันอาซาบีพวกท่านคืออาซาบไีไม่ใช่อีควาไม่ใช่อีควานีไม่ใช่เป็นพี่น้องของฉัน ก็คือเป็นสัปที่ยิ่งใหญ่ทั้งคู่นะครับเป็นพวกพ้องกับเป็นพี่น้องแต่ผมแอบรู้สึกว่าเป็นพี่น้องนิเทศกว่านะ <c oughs> ทีนี้ครับซาบาก็บอกว่าท่านนาบี๊ย์เล่าให้ฟังต่อว่าซึ่งถึงเวลาเนี่ยฉันจะได้เจอพวกเขาในบ่อน้ําของฉันที่บ่อน้ําของฉันฉันรอจะได้เจอพวกเขาที่บ่อน้ําของฉันซอบาก็เลยถามว่ายารรู้แล้วแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงท่านไม่เคยเห็นนบีไม่เคยเห็นพวกเรา แล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรหรือว่าใครคือพี่น้องของท่านที่ท่านรอเจออยู่ท่านอบีก็ถามว่าสมมุติว่าคุณมีม้าอยู่เป็นม้าที่คุณรักมากเลยแล้วคุณประดับประดาเต็มที่เลยถ้าม้าตัวนั้นไปปนกับม้าตัวอื่นคุณจะจําได้ไหมคุณจะแยกได้ไหมคิดว่าแยกได้ไหมครับท่านอบีก็บอกเหมือนกันพี่น้องของฉันฉันก็แยกได้ด้วยกับร่องรอยของน้ํำละหมาดของพวกเขาก็คือน้ำละหมาดที่เราทําแล้วก็ ทำการละหมาดนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนบีอัลลอฮฺสลอมรู้ว่าเราคืออุห ม, มะของท่านแต่ประเด็นครับในฮะดีษบทนี้บอกว่าซึ่งจะมีคนที่ว่าทําน้ําละหมาดเคยทําน้ําละหมาดก็แปลว่าเคยละหมาดในดุนยาเนี่ยก็จะหลั่งไหลามาหาชั้นเพื่อที่จะมาดื่มน้ําจากบ่ของท่านนบีแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแล้วโดนกันไปกันไปว่าพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์กินท่านนบีก็จะถาม สงสัยก็บอก ว, ว่านี่นี่พวกฉันพวกฉันเอาเขามาด้วยเขามีร่องรอยทําน้ำละมาตเสียงที่กัดกลุ่มนั้นไปจะบอกท่านนบีมุสลลัลลอฮสัลลัมว่าคุณไม่รู้หรอกว่าพวกเขาทําอะไรไว้หลังจากที่คุณเสียชีวิตประเด็นนี้น่าสนใจน่าสนใจหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่ละมาตจะเป็นมุสลิม เขาใจตามกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่ละหมาดทําน้ำละหมาดเพราะการสละหมาดเขาไม่มีร่องรอยจะจากข้อดีบทนี้ทําให้เรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาได้ทําการละหมาดทาน้ําละหมาดเนี่ยเขาจะต้องเป็นมุสลิมเพราะถ้าเป็นมุสลิมได้กินน้าจากบ่อท่านลบีอยู่แล้วแต่นี่คือซาวะบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าหลังจากคุณเสียชีวิตไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือท่านลบีรู้ก็แค่ตอนที่ท่านอยู่กับอัลลอฮาวะบะ แล้วท่านก็รู้เท่าที่อัลลอฮ์ให้ท่านรู้ก็คือที่อัลลอฮ์ Allah รับรองซาบัดที่ได้เข้าสวนชัวัตรท่านก็รู้แค่ถึงตานั้ น, ต น, นแต่หลังจากนั้นท่านรู้แค่บางส่วนที่อัลลอฮ์ให้รู้ชนที่ว่าเหมือนจะเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่มุสลิมเขาเหล่านี้คือใครเขาเหล่านี้คือใครคําตอบก็อยู่ในคําอธิบายของท่านอบีก็คือท่านนบีบอกว่าท่านไม่รู้หรอกว่าเขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป จากที่ท่านเสียชีวิตไปอย่างไรแปลว่าใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นมุสลิมแต่เมื่อถึงเวลาเขาไม่กลับไปหากิตาบุญละไม่กลับไปหากุรอานถึงเวลาเขาไม่กลับไปหาแบบอย่างของแทบสสีมัสรอฮิสลามเขากลับไปหาแค่คนคนนั้นมันอาจจะถูกคนนี้มันดีเออคนนี้ให้ผลประโยชน์เออคนนี้ฉันอยากจะทําอย่างงั้นเออคนนี้มันดีมันถูกมันตรงแต่หลีกั้น ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเลือกใช้รูปแบบอื่นที่ไม่ใช้รูปไม่ใช่รูปแบบของท่านนบีมุสลลัมของอะลัยบัสสลัมเขาไม่ใช่พวกนบีซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ว่าโดนห้ามจากบ่อน้ําของท่านนบีมุสลลัมของอะลัยสลัมซึ่งผมก็ขอดยอาช่าวร้อยพวกเราทุกคนนั้นรวมทั้งพี่น้องที่ได้รับชมด้วยเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าได้ดื่มน้ําจากบ่อท่านนบีมุสลลัมแล้วก็ได้ผ่านสะพานไปอย่างง่ายดา ได้เลยครับอย่าไปพลาดตกลงไปซะก่อนเพราะถ้าตกไปก็อยากที่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเพราะทาร์บีบอกสะพานในลักษณะของสะพานเป็นยังไงนะครับใครจําได้มั้งสะพานซีรอลลักษณะคือบางกว่าเส้นผมแล้วก็คมยิ่งกว่าใบมีดจะผ่านยังไงคือมันเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะผ่านถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ความช่วี่ดีฮะคืออันนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺแบบร้อยเอร์เซ็นต ร้ปร์เซ็นตเราพยายามให้ตายไงไม่มีทางผ่านไปได้แต่เราจะผ่านแบบรวดเร็วจะผ่านแบบกระดิ๊บกระดิบกระดิ บ, ก, ด บ, ก, ดบก็อยู่ที่พฤติกรรมที่ทําตอนนี้ครับเพร่านเหมือนกไม่ไหวนะพอถึงจุดนั้นขอให้มันผ่านแล้วกันคือซาลาบีบอกว่ากับอัลลอฮ์เราต้องโลภมากครับคือพฤติกรรมเราไม่คู่ควรหรอกแต่ขอโดยอัลลอฮ์ให้เราผ่านไปอย่างรวดเร็วง่ายได้ครับผมได้ดื่ม น, น้าแล้วก็ไม่ต้องไปแวะระหว่างทางครับผม อามี <I> mean, ครับผมเงี้ย น, นี้คือความหมายของคำ ว, ว่าอาลกาวซัตอันแรกก็คือเป็นชื่อทาน้ำของท่านอับดุลบาบิวัสละลอนองเลย์สลัมที่อลัลลอ์เตรียมให้ใหกับท่านอบีแล้วก็เป็นชื่อของบอ่อน้าของท่านอบีลด้วยชื่อเดียวกันอ่ากาซัเหมือนกันที่อลัลลอ์เตรียมให้กับท่านบีซึ่งประชาชาิทุกคนของท่านับดลาวัสละลอ น, น ส, รรออสลัมที่เป็นประชาชาิที่ดีจได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้านี้ครับหลังจากนั้นกวซัตยังมีความหมายถึงความดีงามทั้งหลาย ความดีงานทั้งหลายทุกอย่างที่เป็นความดีงามที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับท่านนบิบบัศซุลลองของอะลัยบัสซัลลัมแล้วจากประเด็นนี้นะครับผมย้ํากับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในเรื่องของบททดสอบที่หนักหนาในโลกปัญญานะครับมันมีบททดสอบของล้อทุกรูปแบบบางทีมาแบบเกินจินตนาการบางทีเราก็เหมือนกับจะทนไม่ไหวก็ขอให้เรารู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการบททดสอบรูปแบบไหนก็ตามพระองค์นั้นทรงรอบรู้ดียิ่งแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ช่วยเหลือที่ พอเพียงแล้วสำหรับมุสลิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงสถานการณ์ที่หนักสุดๆแล้วก็อย่าลืมพูดให้ติดปากว่าฮัสบุนนะลอวันนี้มารวากียลเอาลอปพอเพียงแล้วสําหรับเราแล้วครับพ่อองค์เป็นผู้ที่เรามอบหมายที่ดีที่สุดแล้วก็กัดฟันจนกว่าจะไปถึงช่วงเวลาที่เราได้พบกับท่านนาบีมุส ล, สลิมก็คือท่านนาบีก็บอกว่าพวกท่านหลายจงอดทนจนกว่าจะถึงวันที่ท่านจะไปเจอกับฉันที่บ่อน้ําแปลว่าถ้าไปถึงนบีจงจุดนั้นไม่ต้องทนอะไรอีกแล้ว ไม่มีอะไรให้ต้องทนทุกอย่างจบแล้วจบอย่างสวยงามด้วยครับก็ขอพระองค์รอดให้เรานั้นพุทธสุขติมาคือเราเริ่มต้นอาจจะดีไม่ดีไม่รู้ระหว่างทางอาจจะดีไม่ดีไม่รู้แต่อย่างน้อยก็ขอฉากจบให้เป็นฉากจบที่เรารอพอพระทัยเราเอา้าวอินนาอัตตนะกัลกัลรฟสัสลลิลีรับมิกาวันฮับสุภาพนลาครับพระองคเราไม่ได้สั่งให้ท่านนบีทําอิบานากนแต่พระองค์เราบอกว่าพระองค์ได้ให้ตอบแทนเรียบร้อยแล้ว คือเหมือนก็น ว, าวางเงินให้หมดแล้วให้เงินเอาไปใช้ได้เลยเหมือนกับการเ ฟ, ฟทุกคนถูกไหมครับคือบททดสอบของอนะัลลอฮ์เนี่ยคือการที่เรามาเกิดในดุลยาเพื่อทําให้พงพอใจถูกไหมครับนี่คือบททดสอบแต่คนทุกคนที่มาเกิดในดุลยาต่อให้เขาไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเขาแล้วให้ผลตอบแทนลอก่อนให้สุขภาพที่ดีให้ทรัพย์สินที่ดีให้ลูกหลานที่ดี ถึงบางคนจะมีข้อเสียจะมีเรื่องบน่นแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เขาได้จากอัลลอฮ์มันมากเกินจินตนาการมากกว่าข้อเสียทั้งหมดที่เขาได้ต่อให้เกิดมาตาบอดต่อให้เกิดมาไม่มีอไวไรว่าครบถ้วนอะไรก็ตามการได้หายใจการได้มีชีวิตการได้กินอาหารการได้พูดคุยมันก็เป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ให้แบบให้ก่อนนะครับพรีเพย์เนาะคือถ้าพูดปภาษาสมัยนี้พรีเอาเดอร์ใช่ไหมครับพรีเอเดอร์จ่ายตังค์ให้เรียบร้อยเลย ทำความดีมาแล้วกันแล้วจะให้มากกว่า น, นี้อีกแบบที่เราบอกว่อย่า้ครับถ้าหากว่าพวกเจ้ารู้จักขอบคุณข้าก็จะเพิ่มให้อีกเป็นธุรกิจที่แบบว่าติจาระตันรันตะบูธมันไม่มีทางที่แบบจะพบ ก, กับคําว่าขาดทุนแน่นอนฟอสซลี ully, ทีนี้อุปธงก็ได้สั่งว่าดัางนั้นก็จงทําการละหมาดครับการละหมาด ถ, ถ้าเราดูในคัมภีร์รัลกุรอาน คำสั่งใช้ในเรื่องของฟัดดูคำสั่งใช้ในเรื่องของฟัดดูในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สั่งใช้มุสลิมมากที่สุดคือการละหมาดเป็นอิบารัดที่อัลลอฮ์สั่งมากที่สุดแล้วเป็นอิบารัดเดียวที่พวกอัลลอฮ์นั้นให้ท่านอบีขึ้นไปรับในสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดในช่วงระเวลาที่มีเกียรติที่สุดในเหตุการณ์ที่มีเกียรติที่สุดก็คือในการอิสลามิอารอตขึ้นไปรับบน ซิตา ร, ร์ตุนมุตาฮาเลยไปรับผลปรีโยนการละหมาดแล้วก็เป็นอิบารัดาที่ว่าลดแรกแจกแถมลดจาก50เหลือหแล้วก็สามารถที่ว่าจะลดลงไปได้อีกช่วงคนเดินทางใช่ไหมครับก็สามารถย่อได้อีกรวมก็รวมได้ย่อก็ยอ่อได้เป็นอิบารัดาที่แบบว่าพลอเาเตรียมโบนัสให้สารพัดคือละหมาดซุนนะก็สร้างพระราชวังให้ในสูงสวรรค์ถ้าละหมาดดีทุกอย่างพวกลอถือว่าพวกเราทําดีหมดเลย ถ้าละหมาดแย่ทุกอย่างสอบตกเพราะฉะนั้นละหมาดก็เป็นตัววัดเป็นเกณฑ์วัดแล้วก็อีบายด้าในเรื่องของการละหมาดเป็นอีบายด้าที่ถ้าเราดูในคุรานครับเวลาพวกเราพูดถึงนบีต่างๆพูดถึงนบีอิสาพูดถึงนบีมูซาพูดถึงนบีอิบรอฮิมพูดถึงทหดิงมารยัมพูดถึงนบีหลายๆท่านจะต้องพูดถึงหนึ่งในคนลักษณะของท่านเหล่านั้นคือผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเหมือนกับตอน น, น, นบีอิบรอฮีมครับหลังจากที่ว่าสร้าง กาบ า, อาขอมาฟัครับก่อนที่จะสร้างกาบาหลังจากที่ว่าท่านวิลรีมเอาครอบครัวของท่านมาทิ้งไว้ที่มั ก, กาท่านวิล่อกไงครับรบหรือกิมซัลเ่โอเพอร์ล็อเพื่อให้พวกเขาได้ทาการละหมาดก็แปล เ, เป้าหมายหลักก็เพื่อทาการละหมาดแล้วก็คุณลักษณะของผู้ศรัทธาเพื่อเาาพอเพื่าาาเอเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพืดอเพื่อเพ่อเพื่อเพื่อเพเพื่อเพืเพื่อเพื่อเ่เ่อเพืเพื่่อ่อเพเ ห้ามทิ้งเด็ดขาดบางท่านอาจจะถามว่าทำไมฉันป่วยเนี่ยฉันยังต้องลุกมาละหมาดอีกเหรอฉันเดินทางฉันยังต้องละหมาดอีกเหรอฉันแก่เต็มที่แล้วต้องละหมาดอีกขนาดทาสงครามยังต้องละหมาดบางท่านจะรู้สึกว่ามันเยอะไปไหมถ้าไม่มีใครคิดเลยอาธรรมตัวนี้แล้วถ้ามีใครคิดผมตอบให้ก่อน สำหรับใครก็ตามที่อาจจะคิดว่ามันเยอะไปไหมคำตอบก็คือมันไม่ใช่แปลว่าเยอะเรามองผิดมุมเรามองผิดมุมสำหรับมุสลิมการละหมาดไม่ใช่ทำแล้วเหนื่อยถ้าใครแล้วละหมาดแล้วเหนื่อยต้องเสียกับตัวเองต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนมุมมองต้องเปลี่ยนมุมมองเพราะการละหมาดคือสิ่งที่ทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้พักผ่อนอย่างแท้จริงท่านบับดุลเละสลต่านท่านบอกว่า ในการละหมาดเนี่ยมันทําให้ฉันสบายคือเวลาท่านมีปัญหาวเวลาท่านรบีเครียดเวลามีเรื่องอะไรก็ตามท่านรบีจะละหมาดละหมาดเสร็จท่านก็จะรู้สึกปลอดโปร่งเราถึงจุดนั้นหรือยังถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นแปลว่าเรายังไม่เข้าใจความหมายของคาว่าการละหมาดดีพ อ, อยังไม่เข้าใจความหมายของการละหมาดดีพอแล้วทีนี้ครับพวกเรารูไ้ไหมครับว่าเป้าหมายของการละหมาดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลาลึกถึงอะไรท่านระบายมัสโอลอสลามได้บอกว่าแน่นอน การละหมาดได้ถูกกำหนดให้เป็นฟัสดูการทำมัดถูกกำหนดให้เป็นฟัสดูการจ่ายสากาัดการถือสนดถูกกำหนดให้เป็นฟัสดูเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้ลำลึกถึง AH. อัลลอ์เพราะใครก็ตามที่ไม่ลำลึกถึงอัลลอ์ใครคือคนที่เดือดร้อนอัลลอ์หรือว่าเขาเขาไฟนัลูมาอิชเต้นดงกอัลลอฮ์บอกไงครับใครก็ตามที่ออกห่างจากการล้ำลึกถึงข่า ตั้งแต่ดุนยาชีวิตก็คับแคบแล้วชีวิตก็เดือดร้อนแล้วแล้วมุสลิมเราถามว่าเวลาเราเดือดร้อนกับเวลาเราไม่เดือดร้อนตอนไหนเราต้องการความช่วยเหลือจากล้อมากกว่ากันเดือดร้อนงั้นถ้ายิ่งเดือดร้อนยิ่งต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องยิ่งลำลึกถึงล้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเดือดร้อนยิ่งจําเป็นจะต้องละหมาดยิ่งทิ้งละหมาดไม่ได้เลยเพราะเราเดือดร้อนเราอย่าไปคิดว่าฉันกำลังเดือดร้อนอยู่ฉันขอไม่ละหมาดได้ไหมอันนี้คือ มองผิดแล้วมองผิดประเด็นแล้วเราไม่ได้มองว่าเพราะการละหมาดเอาละให้ความช่วยเหลือเราเพราะการละหมาดเพราะการระลึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺจึงเมตตาเราอัลลอฮฺจึงรักเราเพราะในี้เรื่องการละหมาดเนี่ยมีหลายด้านที่ว่ามุสลิมเราต้องปรับมุมมองต้องปรับมุมมองเหมือนกับที่ว่าบางขั้นถามว่าเนี่ยทําไมเวลาที่ฉันละหมาดแล้วฉันไม่มีสมาธิเลยมีใครอยาขถามไหมครับไม่มีทีนี้ละหมาดมีสมาธิหมดอัลฮัมดุลิลลา ไม่มีผมคนเดียวแล้วกันไม่มีสมาธิมาเลยไปชุดๆมาไปชุดๆคือถ้าละหมาดแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อันล้อไม่ได้อยู่ที่การละหมาดมันอยู่ที่เราล้วนๆเลยคือจะไปเข้าเฝ้าอรรรลแล้วแบกดุนยาไปด้วยมันไม่มีทางกุหลาบจะไปจากเรา ถ้าเราเลือกจะฟังกุร่าน์แปลว่าเราต้องเอาเพลงออกไปจากตัวเราแต่ถ้าเกิดเรายังชอบเพลงยังชอบออดูหนังซีรีส์เปิดเพลงเขาน้ําตายิ่งตอนเศร้าๆอะไรประมาณเนี่น้ําตาไหลอะไรประมาณเนี่ยนะตบน้ําตาแตกคือคนจริงๆตา ย, ยังไม่เศร้าเท่ากับเพลงเกาหลีเลิกกับนางเอกเกาหลีเลยบางคนเป็นงั้นจริงนะโดนหนังมันบิ้วว่ะโดนเพลงบิ้วถ้าเป็นงนั้นนี่คือขอให้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่เราแล้ว แล้วก็ขอให้เตรียมใจไว้ได้เลยว่าเรายังไม่ได้ละหมาดเรายังไม่ได้ละหมาดเพราะเหตุการณ์นี้พวกเลาให้มีตัวอย่างแล้วพวกเราเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคนบีเพื่อจะได้เตือนสติพวกเราคนที่ชอบคิดว่าฉันละหมาดแล้วฉันทําดีแล้วฉันเยอะแล้วเหตุการณ์ที่ว่าท่านซอบะเข้ามาทําการละหมาดที่มัสยิดใช่ไหมครับแล้วก็ท่านอยากจะรีบมาหานาบีละหมาดเสร็จปุ๊บมาหานาบีท่านนบีบอกว่าไงครับ ไปละหมาดใหม่เพรา ะ, ระาคุณยังไม่ได้ละหมาดพี่น้องแล้วแล้วละหมาด ท, ที่ผ่านมาของเรามันจะมีกี่ครั้งที่เป็นแบบนั้นแต่เราไม่มีนบีบอกใช่ไหมครับคือไม่มีนบีมาบอกเราไงคือซาบะท่านนั้นเนี่ยท่านพาลาดแล้วท่านแก้ได้เลยไงมีนบีมาบอกแล้วก็แก้ได้เลยแล้วแล เ, เราล่ะละหมาดมักริบสามรักัสสี่รักัสฉันจำไม่ได้เหมือนกันแต่อิหมามขศลาลว่าอิหมามน่าจะถูกแนละ้วยกเครดิตให้อิหมามไป อิมาบางทีก็ยกอเครดิตเท่มามุมเออไม่มีใครทักไปว่าฉันจะถูกเอาไปมาทั้งสือเราไม่รู้ว่าตัลงสามหรือว่าสี่ในกุรานเาราบอกนะคอินัสซาตันฮานิฟาชัยเบลมุงกัตใช่ไหมครับการละหมาดนั้นห้ามจากความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งละมกถ้าใครที่ละหมาดแล้วเขายังทําความชั่วร้ายยังทำสิ่งละมกอยู่แปลว่าเขาไม่ได้ละหมาด เพราะพวกเราไม่มีทางโกหกถูกไหมครับสิ่งที่เราพูดเป็นสัจจริงเพราะฉนั้นที่พวกเราพูดพระพงศ์พูดเมื่อพวกเราบอกเราอย่างนี้แล้วผลมันไม่ใช่แบบนี้ปัญหามันหาได้ไม่ยากหรอเนาะตัวการหาได้ไม่ยากเราร้อนๆเลยหรือถ้าเกิดสบายใจอยากสบายใจก็โทษให้ใชัยตอนไหนก็ได้นะเผื่อเราจะรู้สึกผิดน้อยลงเอ้ฉันผิดแค่เก้าิอร์เซ็ชัยตอนมันผิดสิบเปอร์เซนคือคนเราถ้าเกิดมีคนโทษมันจะสบายใจใช่ไหมครับ มุสลิมอย่าเป็นแบบนั้นนะอย่าไปโทษชัยตอนพโทษชัยตอนมันยินดีให้โทษคือแล้วด่าชัยตอนเนี่ยชัยตอนไม่รู้สึกเจ็บนะชัยตอนไม่เจ็บชัยตอนมันขออย่างเดียวมันขอมีผลงานโดนด่าไม่มีปัญหาคือใจมันแน่กว่าเราอีกนะคือเราบางทีจะทําเพื่อเรอดบางทีโดนดา่าเยอะๆมันใจก็ไปไม่รอดแล้วแต่ชัยตอนด่ามาทาอะไรมาเต็มที่ฉันไม่มีปัญหาขอลากแกลงนรกด้วยแล้วกัน คือหนึ่งในคนที่อันตรายที่สุดคือคนที่เขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะครับคือผมพยายามจะจินตนาการว่าอิบราฮิคิดยังไงนะแต่ผมคิดไม่ออกคือพี่น้องลองคิดดูว่าสิ่งมีชีวิตที่มั่นใจว่าลงนรกแน่นอนแล้วก็เตรียมใจแล้วว่าฉันเต็มใจจะลงนรกหากจะได้ทำให้คนที่ฉันเกลียดมันลงนรกไปกับฉัน มันจะมีอะไรอยู่ในหัวบ้างผมผมคิดไม่ออกอะคือคนที่แบบมันมีเลยเสียแล้วไงคริมันไม่มีะไรเสียลงนรกแน่นอนลงแน่นอนเพราะนั้นที่มันจะทำก็คือยังไงก็ได้ให้เราลงไปกลับมันยิ่งเราโกรธยิ่งเราเกลียดยิ่งเรามีความคิดดานชั่วร้ายเยอะๆมันยิ่งดีใจผมว่าในโลกนี้นะสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนะไม่นับคนดีๆนะไม่นับคนดีๆไม่นับนบี สิ่งมีชีวิตที่มีความอดทนมากที่สุดในโลกผมว่าไม่มีใครเกินอิบลิสเพราะอิบลิสใช้เวลาตลอดชีวิตเพื่อรอช่วงเวลาเดียวอิบลิสรอแค่ช่วงเวลาเดียวตอนนี้มันรอแค่อย่างเดียวรู้ไ้ยรอตอนไหนอิบลิสอิบลิสรอตอนที่คนทุกคนอยู่ในนรกพร้อมกับมัน แล้วมันก็จะประกาศออกมาว่าฉันไม่ใช่เป็นผู้บังคับให้พวกเจ้าทำความชั่วนะพวกเจ้าก็ไม่ได้มาบังคับฉันฉันขอปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าทำมาตลอดชีวิตของพวกเจ้าเจ็บไหมพี่น้องเจ็บขนาดขึบนแล้วเราคิดีว่ามันรอแค่ช่วงเวลาเนี่ยมันรอแค่จะได้พูดกับมนุษย์ว่าสมน้าหน้าคลิกแล้วสมนี่อย่างมาเชือ่อเห ถึงเวลามันบอกเน่ยนะว่าพ่อเราได้พูดความจริงหรือพระองค์ได้แล้วพองค์ก็ทำตามสัญญาด้วยแต่ฉันฉันโกหกแล้วพวกเจ้าก็เชื่อฉันยักหลังไหมไงครับ สุาพานเราเลยสุาพานเราเลยคือมันจะเป็นความเจ็บปวดระดับไหนแบบผมขออย่างเดียวอะครับคือผมพวกเราฟังคุตตาบ้ากันมาบ่อยแล้วขอดูอาจากล้อใหญ่ให้เราไปฟังคุตบาบ้าอีบริส <c oughs> ฟังในดุนยาก็พอเนาะคุตตาบ้าฟังในดุนยาก็พอในดุนยาเป็นคุตตาบ้าสำหรับคนดีอ่ะคีราอจะมีคุตตาบ้าสาหรับนั่นแหละ ครับสำหรับชาวโลกแล้วพุทธบาแต่ละคำนี่มันมันเจ็บอ่ะครับถ้าเกิดเรามานั่งสื่อารอย่ากูรานที่หลายรัฐผมอ่านนะนะมันจะเจ็บไปถึงเจ็บกระดองเลยแบบอยู่ดีๆบอกเ่าฉันไม่ได้มีอำนาจเลยเพราะอยู่ดีๆมันไม่เคยบังคับมือใครได้ถูกไหมครับคือมันไม่เคยบังคับตัวเราให้เราไปทําความชั่วเราทําเองล้นลวนๆเนะี่ยมันแค่แย่นิดนึงแล้วแผนการของมัน เจ๋งหรือเปล่าครับแผนการอิบริสไม่เจ๋งด้วยเราบอกว่าแผนการเชตอนมันอ่อนแอตั้งหากแปลว่าเราที่เชื่อมันอ่อนแอยิ่งกว่านาอุบิไ ล, ลมินซาลิอ่ะงั้นกลับมาที่เรื่องของการละหมาดครับถ้งนั้นหมายความว่าเรื่อ ง, องการละหมาดอย่างที่ย้ำผมย้ำเป็นประจำนะครับต้องให้ความสําคัญให้มากเพราะว่าถ้าการละหมาดผ่านที่เหลือผ่านการละหมาดไม่ผ่านที่เหลือก็ไม่ผ่านเราสังเกตดูในองค์การนี้พอเราเริ่มจากคำว่าการละหมาดแล้วผู้องสั่งแค่2อย่าง ฟัสซัลลีหรือร็อบบี้แก่หวสังเกตดูพวกเราไม่ได้ใช้คําว่าฟัสซัลลีลินแล้วไม่ได้ใช้คําว่าฟัสซัลลีลินแล้วมีใครรู้บ้างว่าต่างกันยังไงถ้าใช้คําว่าฟัสซัลลดังนั้นจงละหมาดเพื่อ Allah อลลกับดังนั้นจงละหมาดเพื่อร็อบบี้แก่เพราะอยู่บานของเจ้าต่างกันยังไงครับเราฟังแล้วรู้สึกว่าต่างกันไหม ทุกคำที่พงค์ใช้ในกุรานมีประเด็นมีสาระแล้วก็มีความหมายที่เกินจินตนาการคือการแปลกุรานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะแปลได้ครอบคลุมตามที่พรงค์สื่อแต่เราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดที่เป็นไปได้อา่ามีใครพอจะได้คำตอบไหมครับในกุรานเนี่ยพงษ์พง์ทรงใช้คำว่าฟาซลีลีร็บปีก้วันหัดไม่ได้ใช้คาว่าฟาซลีลิลลาฮ ปกติถ้าเราละหมาดเรามักที่พูดคาวลลิลาใช่ไหมครับเพื่อนเแต่ทำไมใช้คาบัลลิอป บ, บิกามีท่านใดมีไอเดียเสนอไหมครับผมอ่ะว่าไงครับเอาอย่างทำท่าเหมือนจะมีคำตอบไม่มีเลยแหละครับอ้าวสลัลลัาลลอฮวะซุลลามุฮั ม, มัดถ้าเราสังเกตดูครับคำว่าอัลลอแปลว่า เดี๋ยวที่อ่านหนังสืออาจารย์ซ้าทุกท่านแล้วใช่ไหมครับทุกคนอ่านแล้วกิเ้าพนางเอาล็อไปได้ใช่ไห ม, มพอล็อกไปว่าอะไรครับไปว่าพระเจ้าพระเจ้าไปว่าเอาก็สก็ได้เอาก็สก็สไปว่าไม่ใช่ก็สไปว่าก็สไปว่าอะไรผู้ที่ถูกกราบไหว้ผู้ที่ถูกกราบไหว้ ความงดงามของอัลกุรอานผูเราลลบอกว่าฟัสซัลลดังนั้นเจ้าจงทําการละหมาดแก่ผู้ที่ดูแลเจ้าผู้อาะลอฮบอกเหตุผลว่าทําไมเราควรจะกราบไหว้พระองค์ทําไมเราควรจะละหมาดเพื่อพระองค์ถ้าเกิดใช้คําว่าฟัสซัลลีลินแล้วดังนั้นจงกราบไหว้แก่ผู้ที่คู่ควรแก่การถูกกราบไหว้อันนี้มันฟังดูยังไม่เห็นเหตุผลถูกไหมครับพวกเราลถูกกราบว่าทําไมจะต้องกราบไหว้พระองค์ด้วยบางทีบางคนอาจจะคิด แต่พอใช้คำว่าฟัส ล, ลีลีรอบบีก่ดังนั้นจงละหมาดเพื่อผู้ที่ดูแลเจ้าพระองค์ให้ทุกอย่างแก่เจ้าความดีงามทุกอย่างแล้วจะไม่ละหมาดเพื่ออล้อไหนหรอฟัส ล, ลีลีรอบบีก่มันเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมว่ามันมันเกินคําว่าพอเพียงแล้วที่มุสลิมเราจะละหมาดเพื่อพระองค์ถูกไหมครับคําว่ารับบุญเนี่ยคำนี้คําเดียวพอเพียงแล้วฟัส ล, ลีลีรอบบีก่เป็นเหตุผลที่พอเพียงแล้วว่าทําไมเราถึงต้องละหมาดเพื่อพระองค์ ไม่ใช่แค่พงให้ความดีงาม น, นะไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีคำถามเลยแล้วคือจบในตัวเลยฟอรลีหริลบบกัวันหัดทีนี้ครับคำที่สองที่พงทรงใช้ก็คือพงทรงใช้คำว่าแล้วจงหลังเลือดทั้งทั้งที่ว่าปกติเราจะใช้การเชือดผมควรจะถามต่อไหมหรือไม่ควรถามไม่ควรถามใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดหวังใช่ไหม แบบที่เขาพูดนะครับถ้าเกิดว่าหวังกับมนุษย์แล้วจะผิดหวังให้หวังกับบอลล็อกจะไม่ผิดหวังนั้นผมหวังกับบอลล็อกแล้วกันคําว่าวันหัดเนี่ยคำว่าการใช้คําว่าหลังเลือดซึ่งเป็นคําที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยเพื่อให้รู้ว่าในที่นี้การเชื่อสัตว์เนี่ยวอลล็อกอาล่ะนะครับบอลล็อกเท่านั้นที่รู้ว่าใช่ไหมแต่ความหมายมันสื่อตรงนี้ได้ก็คือเพื่อให้รู้ว่าในการเชื่อสัตว์ ในการบริโภคเนะี่ยรูปแบบไม่ใช่มีแค่เชื้อยังมีสิ่งที่เรียกว่าน้หัดก็คือสิ่งที่เรียกว่าการแทงอยู่พอถ้าเกิดว่าอย่างบ้านเราอะครับรัศพนาฟีบางท่านจะไม่สบายใจเวลาที่บอกว่าเขาแทงคอไก่เนะี่ยมันกินได้ไหมสมัยก่อนจะบอกเลยว่าฮารอมเลยไม่เคยมีขยี้และครับโอเคอาจารย์ที่สอนผมก็บอกว่าถ้าเกิดไก่ที่โดนแทงคอเนี่ยกินไม่ได้ฮารอมซึ่ง พอเรามาดูพกุรานพอล่ชับว่านาหัตซึ่งมีความหมายในการแทงก็แปลว่าจริงๆแล้วประเด็นของสัตว์ที่ว่าเราจะทําการเชื่อดเพื่อจะมาบริโภคประเด็นสําคัญอย่างแรกก็คือต้องแก้านามอัลลอฮ์เหมือนกับเป็นการขออนุญาตพระองค์เนื้อนี้สัตว์นี้พระองค์ให้แก่เรามาแล้วก็ขอเชื่อดด้วยน้ำของพระองค์แล้วก็กินด้วยความเมตตาของพระองค์เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือก่าวน้ำของอัลลอฮ์แล้วก็ให้หลอดสะขาด3มเส้นอย่างที่บอกไปในตอนแรก รูปแบบไหนก็ได้ขอให้หลอดมันขาดไปสามเส้นซึ่งสแสดงให้รู้ว่าเวลาเชือดทาไมมุสลิมถึงไม่ใช้การเชือดรูปแบบเดียวใครรู้บ้างทําไมมุสลิมถึงไม่เชือดรูปแบบเดียวทา ไ, ไ, ไมไม่เชือดที่ตรงคลางอย่างเดียวทําไมต้องไปเชือดข้างล่างด้วยสิ่งนี้สแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของคำสอนอิสลามเพราะคาสอนของอิสลามท่านบีสอนว่างไงครับ วิา ق ่าสินกิถ้าจะฆ่าฆ่าให้ดีที่สุดถ้าจะเชือดเชือดให้ทรมานน้อยที่สุดหมายความอิสลามคำหนึงถึงกระทั่งว่าสัตว์ที่เราจะเชือดเราจะทําให้สัตว์นั้นเสียชีวิตยังไงให้มันทรมานน้อยที่สุดถ้าหากว่าเป็นประเภทวัวใช่ไหมเชือกข้างบนเนี่ยมันตายไวก็ให้เชือกข้างบนใช้คําว่าสาบห้า อิสระก็เชือดข้างบนแต่ถ้าเป็นอูดเนี่ยคอมันยาวขึ้นเชือดข้างบนมันทรมานอย่าให้มันต้องทรมานก็แทงข้างล่างให้หลอดขาดสามเส้นให้มันตายซะมันก็จะได้ไม่ทรมานเพราะฉะนั้นจากอักุรอานนี้แสดงให้เห็นถึงความละอียดก่อนของอิสลามว่าขนาดสัตว์ที่เราจะเชือดเพื่อนํามาบริโภคเรายังต้องให้เกียรติยังต้องมีความเมตตาให้กับสัตว์นั้นนี่คือความหมายของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺบอกไว้ เกี่ยวกับผู้ศรัทธาว่ากับในหะดีษเช่นเดียวกันที่ท่านอบีบอกว่าฉันถูกแต่งตั้งมาเพื่อทําให้ความเมตตานั้นสมบูรณ์เพื่อทําให้มารยาทนั้นสมบูรณ์ถ้าในกราดคือบัวมาอร์เซนาไกแลร์ม า, าตาลีลาลามีเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเป็นความเมตตาให้กับโลกทั้งใบอิสลามไม่ใช่แค่ให้กับผลเท่านั้นนี่คือเหตุผลนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่นักวิชาการบอกว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ ฮาดิษสทธาเนบีบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับผู้ที่มาทําการเรียนรู้ศาสนาหรือผู้ที่ทําการสอนศาสนาเคยดินใช่ไหมฮะฮาดิษวันนี้สาเหตุเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่มีความรู้ศาสนาจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงตัวตนของเขาจะเป็นความเมตตาให้กับทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแม้แต่ปลาในทะเลก็ได้ประโยชน์ เพราะนั้นมุสลิมเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกับการโยนเข้าไปคุกกองไฟให้มันตายทรมานเราจะไม่ทําถ้าคนต่างศาสนีาเขาทําใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นการฆ่าที่มันทรมานอย่างเช่นกุ้งเต้นบีบมะนาวใส่พริกใส่เกลือ <c oughs> ทําไมถึงขำกันครับผมนี่มันหวาน <c oughs> อ้าแล้วไม่ละอันนี้นี่คือแปลว่าต้องต้องปรับแล้วนะมันอร่อยก็จริงนะครับแต่ว่ามุสลิมเราต้องในเรื่องการฆ่าเนี่ยต้องไม่ให้ทรมานที่ทรมานน้อยสุด คิดดูง่ายๆอ่ะครับพี่น้องขนาดเวลาฆ่าจิงจกนบีสั่งให้ฆ่าจิ้งจกใช่ไหมสั่งให้ฆ่าตุ๊กแกท่านอบีบอกว่าไงครับถ้าฆ่าให้ตายในทีเดียวเนี่ยสิบความดีแต่ถ้าต้อง2ทีมันถึงจะตายก็เหลือ5ความดีแล้วความดีลดไปเรื่อยๆยิ่งต้องตีหลายครั้งกว่ามันจะตายผลบุญยิ่งลดลงแสดงว่าศาสนาของอิสลามศาสนาอิสลามเน้นเรื่องของอะไรครับ เรื่องของความเมตตาไม่ได้เรื่องไม่ได้ในเรื่องของความโหดเหี้ยมป่าเถื่อนโหดร้ายอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามอย่างที่พวกเรารู้นะขนาดสิ่งมีชีวิตที่อิสลามสั่งให้จํากัดจํานวนอะไรครับสุนัขน บ, บีว่าถ้าเกิดมีเยอะเกินไปให้ลดจํานวนน้ําลายสุนัขถ้าเลียภาชนะเนี่ยเป็นอาลีสแต่แค่เมตตากับสุนัขเอาน้ําให้สุนัข ก, กินเอาร้อยยกโทษในบาป ท, ทั้งหมดได้ นี่คือหัวใจของอิสลามหัวใจของคาสอนอิสลามก็คือใจของมุสลิมต้องเป็นใจที่สูงส่งไม่ใช่ใจที่สูงส่งพอยกหางตัวเองย้าเนาะบางคนนี่คืออยากสูงแต่มันไม่สูงก็เลยต้องยกตัวเองยกหางตัวเองท่านอาบีบอกไงครับแต่ว่าดอตารอฟ้าอู่แต่ว่าดอตารอฟอ้าอูจงวางตัวจงนอบน้อมถ่อมตนแล้วเลาจะยกท่านให้สูงขึ้น พี่น้องเห็นด้วยไหมเวลาเราเจอคนที่แบบว่าชอบให้คนอื่นยกย่องตัวเองเนี่ยลึกๆในใจเราจะดูถูกเขาเห็นด้วยไหมถ้าเกิดเราเจอใครสักคนที่แบบชอบให้คนอื่นเรียกนะต้องมายกย่องฉันนะฉันมาเนี่ยทำไมไม่ให้เกียรติฉันทํำไมนี้คนประเภทนี้เวลาเราเจอปุ๊บลึกๆในใจเราให้เกียดติเขาไหมครับไม่ให้เกียดนะดูถูกธรรมชาติเป็นอย่างนี้จริงๆ น, นบีก็รับรองมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่แบบว่าสมมติว่าเป็นคนรวยมากๆอหะ เป็นคนดีมากๆรู้มากๆแล้วถึงเวลาไม่เคยยกหางตัวเองไม่เคยยกย่องตัวเอง mm. ก็บอก mm. ผมไม่มีอะไร mm. ผมบริจาค mm. เอาละให้ดิสีมา mm. ผมก็ช่วยถ้าที่ช่วยได้ mm. แต่เขาช่วยมหาศาล mm. คนประเภทนี้ถ้าเราเจอเรารู้สึกไงครับ mm. ยกย่องเขา mm. มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์จริงๆถ้าใครที่พยายามจะยกตัวเองเราจะรู้สึกเหยียบย่าเขาแต่ใครที่พยายามกดตัวเองตามธรรมชาติแล้วเาละจะยกย่องเขาให้สงูงส่งขึ้น แต่ว่าเดาอูตตลอดฟูคําสั้นๆที่ท่านเบียร์มัสโลวาร์คอวเลสลังใช้ทอคือทองต้นครับทองต้นแล้วพระองค์จะยกท่านให้สูงขึ้นครับฟอร์ซอลิลิรับบิก้วันฮารทีนี้ครับเรามาดูในอาย่านี้วายิปที่พระองค์ละยกมามีแค่2 อ, อย่างการละหมาดกับการเชือ่อไม่ได้พูดถึงการสกาดไม่ได้พูดถึงการถือสินอดไม่ได้พูดถึงการทำฮาร์ทไม่ได้พูดถึงวายิปที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ ผมควรจะถามไม่ว่าเราได้อะไรจากไอ้อันหรือไม่ควถามมครนะถามแล้วมันทาร้ายจิตใจตอยู่ไม่เท่ากันเะท่ากันสิครับอย่างไรถ้าถามก็ได้คิดเอาข้ามไปก่อนนี่จะไม่จบอายะสุดท้ายกันภบบิกวันฮัอินนชนกัอัตอินนชนกอัตแน่นอนศัตรูของเจ้าเนี่ยเขาถูกตั เขาเป็นคนที่ไม่มีทายาทอายานี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคำถามนี้ผมก็น่าจะตอบได้แล้เนาะเอาอย่างวคอยังไม่ท้ายังไม่ท้ายังไม่ยังไม่ท้อาอินเนชชยในก็ว่าแล้วแตก็คือว่าท่านอับดุลลอฮฺขงอ a l สซาลัมเนี่ยครับอย่างที่พวกเรารู้ก็คือท่า น, นับีมีลูกทั้งหมด7ดคนลูกสาวสี่ลูกชายสลูกชายทุกคนของท่านเสียชีวิตตอนเด็กหมดเลย ซึ่งพอลูกชายเสียชีวิตตอนเด็กปุ๊บบรรดาชาวกูเรชคนที่เกียรติชังนาบีเขาก็รู้สึกสะใจไงโอ้ทำเป็นคนดีทำมาเผยแพร่ทำให้ดูสิมันมีลูกหลานสืบสกุลเพราะการมีลูกหลานสืบสกุลสำหรับมนุษย์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นซีเรียสถูกไหมครับยิ่งถ้ามีลูกชายปุ๊บส่วนใหญ่ถ้ามีลูกชายจะรู้สึกดีเพราะไงครับมีคนสืบทอดตระกูลเราแล้ว ยิ่งคนจีนนี่ยิงยิงถือใหญ่เลยใช่ไหมครับแล้วเราคิดดูว่าท่นนานอับดุลลอฮัมหมวดสุลต่าคนที่ประเสริฐที่สุดที่ว่ามีสหายมีคนศรัทธาด้วยกับการเผยแผ่ของท่านกลับไม่มีลูกชายชาวรกรีกเขาเลยว่าเนี่ยอัมฮัมหมัดแต่มันไม่มีทายาทแล้วไม่มีใครสืบทอดอับตัดเรียบร้อยแล้วมมฮัมมัดน่ะอับดัดแล้ว พอรล็อกกับใช้คําว่าอะไรครับพร์ล็อกสมานตระไม่ได้บอกว่าท่านาบีอัปตัสหรือไม่อัปตัตแต่พะอร์ล็อกใช้คำว่าอินนอชาเนี่ยแกศัตรูของเจ้าต่างหากที่ว่าเขานั้นถูกตัดขาดไม่มีการสืบทอดอะไรที่ดีงามเพราะอะไรครับถามว่าชาวกุเลชไม่มีลูกหลานหรอือมีแต่เราว่าคนที่ไม่มีลูกผู้ชายอย่างท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะ ส, สัลลัมกับชาวุเลชยอย่างอบูละฮับ ใครที่มีคนพูดถึงมากกว่ากันทบีชื่อหนึ่งในชื่อที่มีการตั้งมากที่สุดในโลกคือมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดกับอับดุลลอฮ์ในสองชื่อนี้คู่ขี้ ก, กันแต่ว่ามูฮัมหมัดเยอะที่สุดในโลกเยอะยิ่งกว่าชื่อที่มาจากไบเบิบลมูฮัมหมัดชื่อของใครชื่อของท่าน์บีวสัสรอซัมที่ไม่มีลูกชายที่ในสมัยก่อนเขาดูถูกเขาตาหน้าว่าเนี่ย ไม่มีทา ย, ยาทไม่มีคนสืบสกุลตระกูลนี้จบแล้วแต่มันคือความเมตตาของอัลลอฮ์นักวิชาการนัก บ, บริษัทหลายท่านมองเห็นตรงกันว่าคือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้ลูกชายของท่านอบเีเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเพราะถ้าลูกชายของท่านไม่เสียชีวิตแล้วมีชีวิตอยู่คือขนาดท่านอบีไม่มีลูกชายยังเกิดฟิตนาเลยอย่างคนที่ว่ายกย่องตระกูลของท่านอบีเกินเหตุอย่างกลุ่มชียะที่พวกเรารู้กัน นี่ขนาท่านอบีไม่มีลูกชายถ้ามีลูกชายนี่คงโดนยกเป็นเป็นสถานะพระเจ้าไปแล้วคือความรักบางครั้งถ้าใช้ผิดมันก็อันตรายทีนี้เข้ามาพูดถึงเรื่องของคําว่าไม่มีทา ย, ยาทสืบทอดหรือว่าไม่มีคนที่จะสืบต่อเนี่ยอินเนชเช่เนี่ยกาฮัวอับตุลเนี่ยประเด็นนี้สิ่งที่มุสลิมเรารู้เร า, รเรารได้อย่างน้อยที่สุดศัตรูของอิสลามในยุคนั้นเนี่ย อาจจะมีลูกผู้ชายอาจจะมีลูกผู้หญิงมีทายาทมีอะไรก็ตามแต่แต่การที่พวกเราใช้คําว่าเขาไม่มีใครมาสืบทอดเขาไม่มีทายาทในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าสําหรับมุสลิมเราถ้าเราอยากจะเข้าใจประเด็นนี้นะครับเราต้องดูประวัติของนบีนวัวท่านนาบีนวัวหลังจากที่ว่าน้ําท่วมโลกเรียบร้อยแล้วท่านอยู่บนเรือใช่ไหมครับลูกชายที่ไม่ยอมเข้ารับอิสลามที่ว่ากันว่าชื่อว่ายามอยู่ในน้ํา ไม่ยอมขึ้นเรือมาแล้วก็จมน้ำตายต่อหน้าต่อตาท่านนบีน้วขอเดวาว่าไงครับยาววะแท้จริงอาภัยให้กับเขาด้วยเขาเป็นครอบครัวของฉันเขาเป็นครอบครัวของฉันพวกเราบอกไงครับเขาไม่ใช่ครอบครัวของเจ้าเขาทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแปลว่าคำว่าเชื้อสายเนี่ยมันอยู่แค่ดุนยาแล้วก็จบจบแค่ดุนยา ถ้าเป็นแค่เชื้อสายนะที่ไม่มีความศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะจบแค่ดุลยาเพราะเรารู้ก็คือไปหลวงฝังศพใครช่วยใครได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีคําว่าศรัทธาเข้ามาแล้วพอไปโลกหน้าไม่ใช่แค่ใครช่วยใครได้ไหมมันจะแย่งกันถีบกันลงในโลกอีกลูกหลานเนี่ยเจ้ากล่กลาวในี่ยกุรานครับจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาลักกันปานจะกินกิน แบบคู่ของคุณอาทั้งสองเนี่ยนะแต่แต่ไม่ใช่นี่คือมุสลิมนี่คือมุสลิมผมยกตัวอย่างที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิมคือจะลักกันปานกืนกินแค่ไหนถ้าเกิดไม่ใช่มุสลิมไปโลกหน้าทําไงครับภรรยาก็อยากขีดสามีลงนรกสามีก็อยากขีดภรรยาลงนรกผลสร้ายก็ลากกันลงนรกทั้งคู่เลยเหมือนกับอบูละฮับใช่ไหมครับภรรยาช่วยไปขนฟืนเผาสามีต่อยต่างหานี่แปลว่าแค่งกันจริงนะ แขงกันจริงโรคโรคนี้นี่คือรักกันสุดๆแต่ไปโลกหน้าเนี่ยเพราะว่าแกทําให้ใช้ลงในโลกฉันขอมีส่วนลงโทษแกเพิ่มสักหน่อยทรามานอีกสักหน่อยพอแม่รักลูกปานจะเกินกินโลกหน้าถ้าไม่มีคําว่าศรัทธาคําว่ารักหายเพราะฉะนั้นถ้ามีคําว่าศรัทธาปุ๊บยังพอช่วยกันได้ไหมช่วยได้ เราเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมลูกของเราต่อให้ว่าเขาไม่ยกมือขอดูอาให้เราเลยถ้าเราเป็นเหตุผลให้เขาทำความดีเราเป็นเหตุผลให้เขาเป็นคนดีทุกอย่างที่เขาทำเราได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเสียตังจ้างใครมาผูรา น, ล, านลูกเนี่ยลูกอย่างเดียวชัดเจนเลยถ้ามีลูกที่ดีไม่ต้องให้ลูกที่ดียกมือขอดูอาด้วยขอแค่เราเป็นเหตุให้เขาทาความดีเราอาจจะสอนเขาอ่านฟาติฮ เรื่องฟาติฮ์นี่ผมย้ำจริงๆนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ควรจะให้ใครสอนฟาติฮ์นอกจากตัวเราคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรสอนฟาติฮ์ลูกถ้าเป็นไปได้เพราะทุกครั้งที่เขาละหมาดวันละ17ครั้งเป็นอย่างน้อยผลละบุญนั้นเราได้ด้วยเพราะเราสอนฟาติฮ์นะยิ่งถ้าเกิดลูกรู้คุณยกมือขอด้วยจากอัลลอฮฺแล้วบิบฟตดีวาลีวาลีไ์วารฮมฮมากะมารบยานิสักร วิบากของฉันอนภะัยให้กับฉันนะกับพ่อแม่ของฉันนะเมตตาเขาทั้งคู่เหมือนกับที่เขาทั้งคู่เมตตาฉันอ้าวเราก็ได้อีกเด้งพอไปโลกหน้าปุ๊บยังช่วยกันได้อยู่คือขอให้ยังเป็นผู้ศรัทธาอันนี้ผมพูดไม่ได้เปิดช่องนะไม่ได้เปิดช่องต่อให้เป็นลูกที่เนรคุณพ่อแม่โดนลงโทษหนักหนาสาหัสสุดๆในโลกหน้าแต่ผลสุดท้ายอัลลอฮฺจะให้พ่อแม่เนี่ยไปช่วยลูก เรื่องยาวเรายัางไม่เล่ากันตอนนี้นะมันเกิด อ, อะไรขึ้นมันมีหลายเรื่องครับเล่าไว้ฐานฐานที่ว่าจะได้สกิดตอมอยากรู้ซึ่งพอกลับบ้านก็จะลืมหมดเลยที่อยากรู้อธิได้ก็ว่ากันไปก็ว่ากันสุรนกันไปเอันนั้นวันนี้นะครับสุรศรอัลเกาซักนะครับประเด็นเราก็หลักๆผมลืมไประเด็นไหนก็ต้องขอมาทุกท่านด้วยแล้วก็น้องเกณฑ์ท่านใดไปขอมาด้วยนะครับผมครับอ่ท่านใดมีคําถามอะไรไหมครับ ตอน้ในรอบพิจารณาครับท่วบอกเรื่องนานาครับเร่องเศรษกิจแล้วก็ไรสยนงอ่าครับทำไมถึงไม่มีการพูดถึงติดใจใช่ไหมครับอัลลอฮฺมับัลอตอบอาจารย์กออัลลอฮฺมับัลอัลลาฮฺมบัลอัลมับัลอัา أش ก่าลาอิลลอัชาบับมุฮัมมัดัลราซูลลลาบับอันมุฮัมมัดัลราซูลละอายาลสโวล สักกี่ไฟมาทีมุฮัมมัดนีมมนะะ่มาศิมมลารลฟานีแล้วมาพัมนาคำมั่นมะเริ่มเดี๋วอะไรต่อดบนัครับควาดูอาหลังอยากเรีนด้แาผมอ่านท่านอับีแทลาห์ครับห้เป็นสิ่งที่ดีงามครับผมแล้วก็มันจว่ารเราจะไม่ตาเราภาษาหลับไม่ได้ภาษาไทยก็ได้ครับที่ควรจะเอาให้ได้เพราะว่าคนที่อ่านดูอาบทนี้ท่านบีบอกว่าไงครับลกแน่พวกเราจะให้ท่านบีล่ะ ให้ฉฟ้าแก่เขาถ้าเกิ ว, ว่าอใครที่นบีช่วยโลกหนาต้องอ่านดัวบนนี้ให้ได้ครับอย่างนั้นกับภาษาไทยก็ยังดี น, นี่ใช่หรครับผมกลับมาที่ประเด็นว่ฟาฟาซลีรับปิกาวันฮัตทำไมอิบราฮิมที่เราพูดถึงมีสองอย่างในที่นี้มีการละหมาดแล้วก็มีการเชื่อดแล้วที่เหลือไปไหนคําตอบว่าเราว่าอะไรมัลเราทำหน้าที่รู้แต่แต่มีคําอธิบายในตั้งตัวคำอธิบาย คำอธิบายที่ว่านักวิชาการหรือนักอ ธ, ธิบายกุรานได้คําอธิบายไว้ว่าการที่มีสองอย่างเนี่ยเราได้รับรู้หรือเราจะรสาระอะไรบ้างทำไมถึงพูดถึงเรื่องการละหมาดแล้วก็พูดถึงเรื่องการเชื่อพีถ้าเรามาดูพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของมุสลิรร ม, มนในแง่คําสอนของอิสลามเราจะพบว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันพฤติกรรมของมนุษย์ ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเรียกว่าส่วนของอีบาดาส่วนที่สองเรียกว่าส่วนของโมอามาละอีบาดาก็คือศาสนกิจพฤติกรรมที่ทําโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้อรรถพอใจเรียกว่าอีบาดาเป้าหมายหลักเพื่ออรรถเรียกว่าอีบาดาละหมาดเป้าหมายหลักเพื่ออรรถสการเป้าหมายหลักเพื่ออรรถถือสินอดเป้าหมายหลักเพื่ออรรถทำฮัทเป้าหมายหลักเพื่ออรรถถูกไหมครับ อันนี้เรียกว่าศาสนากิจหรืออิบารดาซึ่งอิบาดะห้ามคิดเองต้องใช้ตามรูปแบบที่อัลลอฮฺเราสาูลูห์เพูดเท่านั้นอันนี้คืออิบารต่อไปครับอีกด้านหนึ่งของมนุษย์เราเรียกว่าโมอามาละคือการดาเนินชีวิตการดาเนินชีวิตเนี่ยเรามีเป้าหมายหลักของเราแต่ที่แทรกอยู่ในเป้าหมายหลักของเราคือเราอยากให้อัลลอฮพอใจเราด้วย ข้อแตกต่างระหว่าอิบารัดกับมุอมา马拉นะครับอิบารัดเป้าหมายหลักเพื่อรอพอใจส่วนมุอมาม马拉เนี่ยอยากให้อัลลอฮ์พอใจเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเช่นการเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเพื่ออะไรครับอยากได้อยากมีความรู้อยากจบมามีงานดีๆทําหรือว่าพ่อแม่จะได้ไม่ต้องบ่นเราอะไรประมาณเนี่ยอันนี้คือเราเรียนหนังสือใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องโดนบ่นนะอเห็นนี่คือเป้าหมายหนึ่ง เฟรนล้วละจะมีเป้าหมายไปร้อยเป็นพันไงคือมัวลลาเนี่ยจะมีเป้าหมายกี่ร้อยกี่พันก็ได้แต่หนึ่งในนั้นก็คือเราอยากให้อัลลอฮ์พอใจเราก็เลยเดียวถ้ามีคาว่าอยากให้อัลลอฮ์พอใจด้วยได้บุญด้วยเราเรียกว่ามามาละเช่นเดียวกันกับการใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเราไม่ได้แค่อยากจะปิด อ, อดัลลอฮ์ถูกไหมครับเราก็อยากหล่ออยากสวยนะสังเกตได้ตามงานแต่งไม่มีใครแต่งแค่ปิดอัลลอฮ์แน่นอนคือ แค่ S <S สนิทกับพวกเขางานแต่งน่าจะเวิร์กนะจะรอดูงานแต่งเราแน่นะ <S <S <S <S อ่างนี้ในส่วนของมาร์ลม่มารล่าชัดเจนนะครับมัวรมาล่ก็คือการดำมนชีวิตปกติทั่วไปทีนี้ครับผมพูดถึงอิบาร์ดะกับมอวรมาละสุดยอดของอิบาร์ดะคือการละหมาดถูกไหมครับสูงสุดของการทําอิบาร์ดะคือการละหมาดแล้วสูงสุดของมัวรมาล่ที่เป็นพื้นฐานขั้นต่ําที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกคือการกิน ใช่ไหมพื้นฐานทุกอย่างจุดเริ่มต้นของความสุขทุกอย่างของคนเริ่มจากกินไม่มีเสื้อผ้าได้ไม่มีกินไม่ได้ถูกไหมครับความสุขเริ่มต้นแรกเลยของคนคือการได้กินเด็กคลอดออกมาปุ๊บทาไมถึงอ้วแหว่อยากกินนมสาเหตุที่เราร้องไปนะเขาบอก ว, ว่าความสุขแรกเลยของมนุษย์ในมูอาม马拉คือเรื่องของการกินแล้วพงศลักะณ์ก็ได้กล่าวไว้ในอง์การนี้ฟอร์สันลีลีรบบี้แกวันทัดมีคำว่ารอ บ, บบีก่ขั้นกลาง ก็คือพระ อ, องค์เป็นผู้ดูแลเจ้านะจงระหมาดเพื่อพระ อ, องค์พระ อ, องค์เป็นผู้ดูแลเจ้านั่นนะดังนั้นการจะกินอาหารอาหารนั้นก็ต้องกินอยู่บนพื้นฐานเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจก็คือสุดยอดของอิบราฮิมกับสุดยอดของมามามละเพื่ออละอย่าลืมขอบคุณ AH. อัลลอฮ AH. ์เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ทุกอย่างใช่ไหมรับบุญดูแลทุกอย่างอาหารทุกอย่างมาจากพระ อ, องค์เพราะฉะนั้นจะเชือ่อจะกินก็ต้องอย่าลืมที่จะ ขอบคุณอล้อแล้วก็ต้องเชื่อเพื่อออล้อก่อนเงื่อนไขแรกก็คือเชื่ออย่างคนที่รู้คุณขอบคุณอล้อแล้วก็กินตามกฎเกณฑ์ที่อล้อกําหนดเอาไว้เนี่ยเราจะเคลียร์เนาะครับวันละวันละนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่น่าชี้กันว่าการที่มีคำสองคำเนี่ยถ้ามาวิเคราะห์ในแง่มุมของศาสนาเนี่ยเนี่ยการวิเคราะห์ในแง่นี้มันทําให้เราได้รับสาระสาระที่ชัดเจนแต่เป้าหมายของอล้ออาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าเราเราไม่รู้เราไม่รู้บ ฮัยงนะครับรนในกรที่อกากไเชตนชตนหมายถึงเชื่ อ, อัในตอนช่วงัุซรีับกวันฮัตอย่างนี้นะรถ้าเขาว่าวันฮัตาว่าเนฮาราตรงตัวมันแปลว่าการหลังเลือดเฉยเลยหลังเลือดเฉยถามว่าถามว่าเป็นเรื่องของการเชื่อครับคือถ้าเชื่อตรงนั้นในกุฎิอาจจะใช้คำว่าฮัตใช้คำว่าฮัตตัวหาใหญ่ตัวดานนะครับฮัตเชื่อนี้จะครอบคลายถึงการทำฮัตที่ไม่รู้ว่าหลัง วนรอว่ารำครับถ้าเกิดว่าครอบขายด้วยก็ไปว่าก็ทั้งการกินแล้วก็กลับไปเรื่องของการทำฮัตซึ่งเป็นมือซุกเป็ น, นมือใจครับว้นรอว่ารำเพราะว่าถ้าการเชื่อมันก็ครอบคุมทุกอย่างเลยนะครับการทำฮัดก็มีการเชือ่อมแต่ถ้าพูดถึงเอ อ, จะจะอโอเคครับประเด็นเดี๋ยวค่อยบ้ากันภาษาพืกก้นนะ้านกันงั้นตอนนี้ท่านใดมีคําถามได้เสริมไหมครับ ไม่มีเนาะสุรัลกาซาตรเราชัดเจนนครั้งต่อไปเรามาคุยกันในเรื่องของสุรัลอะไรนะครับหลังจากเกาซาตคืออัลมาอุนอารอยต์เลดิโอแกสติบินทครับอัลมาอุน ซ, ซึ่งซึ่งซึ่งอย่างที่ผมย้ําไว้นะครับนักตัฟซีดหลายๆท่านจะมีความเห็นตรงกันว่าแต่ละสุรัลจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่เหมือนกับที่เราอธิบายความเกี่ยวเนื่องของสุรัลกาฟิรูนใช่ไหมครับว่าเกี่ยวข้องอยังไงกับ เออสุรอก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับสุรอัลเกาซัสมาอุ่นเกี่ยวกับเกาซัตเดี๋ยวเราจะคุยกันในครั้งต่อไปนชิญครับแล้วก็พรุ่งนี้เรามาพบกันต่อในช่วงของประวัติทนบียูซุฟนะครับผมมาดูว่าเราจะได้รับสาระอะไรต่อครับตอนนี้อันวาปิดดะชุมครับซุบฮานัลลอฮฺมาริฮัมดิกะอัลชาดุลไลลันตาอัลซัลกาตูไลซัลลัมอัลัยกุมรอตุลลอฮฺวะบารักกาตุคร